วันนี้เป็นวันพระแรมแปดค่าเดือนสิบเอ็ดนับแต่วันนี้ไปอีกสามอาทิตย์ก็เป็นวันออกพรรษาวันนี้ตรงกับวันที่สิบสองกันยาห้าสองเป็นวันเสาร์ด้วยวันนี้ดังนั้นเป็นวัน สมาทานศีลของพวกเราพวกเราเข้าพรรษามาก็ได้สองเดือนกับหนึ่งอาทิตย์ก็ยังอีกสามอาทิตย์ก็เป็นวันออกพรรษาเพราะนั้นขอให้ตรวจตราดูพวกเราทุกท่านที่เราตั้งจิตอธิษฐานไว้อย่าได้ขาดตกบกพร่องพวกเราทำอธิษฐานอันไหนเอาไว้ให้หนักแน่น ให้ยึดให้แน่นเพราะเหตุไรเพราะคุณงามความดีเนี่ยต้องยึดให้แน่นถ้าว่าพวกเรายึดไม่แน่นพอทําไปแล้วก็ละหลวมเลื่อนลอยผลที่สุดตัวของเราเองจะเป็นคนเลื่อนลอยหาความสัต์จริงไม่ได้ในตัวของเราไม่เป็นผลดีสําหรับพวกเราในหลักของพุทธศาสนาคนที่จะดีได้ต้องมีสัจจะความจริงจังและจริงใจ อย่างธรรมของครวัตที่พระพุทธเจ้าวางเอาไว้สําหรับให้ครวัตญาตโยมยึดเป็นหลักในท่านก็ว่าสัจจะขึ้นขึ้นเป็นข้อแรกเลยสัจจะธรรมขันติจาระสัจจะโดยมากพวกเราอยู่ด้วยกันหลายคู่หลายคนบางทีก็ถือว่าเป็นของเลื่อนลอยเป็นของเล่นเล่นไป ผลที่สุดของจริงๆจังๆก็เลยเป็นของเล่นไปหมดทิ้งเพราะเหตุไรเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ใจเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นสิ่งไหนควรจะเล่นสิ่งไหนควรจะจริงพวกเราก็ควรจะคัดสรรหรือว่าคัดเลือกด้วยปัญญาของเราอย่างศีลธรรมอย่างเนี้ยเป็นเครื่องยึดทางจิตใจพวกเราไม่ควรจะทําแบบเล่นๆละเลอะแระๆควรจะจริงจังแต่ส่วนอื่นเที่ยวเที่ยวเล่นๆเตะๆอันนั้น ไม่ใช่ของหลักเราจะทำยังไงก็ได้จริงก็ได้จังก็ได้ไม่จังก็ได้แต่ทึงยังไงหลักศีลธรรมเนี่หลักย็ดทางจิตใจนี่ควรจะจริงจังแต่โดยมากมันจะไม่ค่อยจะสู้กับกิเลสสู้กับกิเลสไม่ค่อยจะได้ความจริงจังกับหลักธรรมเพราะนั้นในพวกเราให้จริงจังสัจจะให้มีความจริงจังและจริงใจธรรมะให้รู้จักให้รู้จักข่มจิตของตน ในเมื่อจิตใจของเราออกนอกลูนอกทางบู่วามโมโหโกธาอย่างนี้เราก็ต้องข่มเอาไว้ธรรมะให้รู้จักข่มมันพยองพองตัวรู้จักการรู้จักเวลาที่ควรจะข่มธรรมะขันติอีกให้มีความอดทนทุกสิ่งทุกอย่างหน้าที่การงานคู่คนที่มาเกี่ยวข้องมากคู่หลายคนเท่าไหร่ก็ยิ่ง มีความคิดความเห็นแปลกแตกต่างกันบางคนก็ใช้เล่เหลี่ยม บ, บางบางคนก็ใช้แย่เล่นบางบางทีก็โมโหโกธาให้กันบางบางทีเรื่องจริงไม่จริงบ้างพวกเราอยู่ด้วยกันหลายคนเราก็ต้องยอมรับต้องมีขันติในจิตในใจเอาไว้อย่ายไปพลีพราม์อย่ายไปกระโดดลดเต้นกับความคิดความพูดหรือว่าเรื่องราวของคนอื่นเขาจนเกินไป อันนี้เราก็ต้องมีขันติยับยั บ, ยบย้งอันไหนควรไม่ควรอย่างไรถ้าว่าเรามันผิดจริงเราก็ต้องยอมรับต้องมีขันติเมื่อเขาดุดาว่ากาวให้เราถ้าว่าเราทําทุกแต่คนดุดาว่ากาวให้เราเราจะไปไล่กับไล่งับเขาทุกคําพูดมันก็ไม่ได้อีกเราก็ต้องมีขันติอีกขันติอยู่ที่ใจของเรานี่ยนะดีขันติ ยาฆ่ก็คือการเสียสละการเสียสละพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงวงสาคนาญาติครูบาอาจารย์มิตรสหายหมูหมากาไก่เราต้องมีจิตใจเรา ค, ควรจะแบ่งปันอย่างไรให้แก่ท่านเหล่านั้นคน ช, ชุมชนนั้นกลุ่มนั้นวงสาคนาญาตินั้นหมูหมากาไก่เหล่านั้นสิ่งเหล่านี้มันก็ต้องได้มียาคะเหมือนกันสัจจะ ธรรมะขันติจากขะอันนี้ธรรมของครว่าที่พระพุทธเจ้า ว, วางเอาไว้ขึ้นต้นก็นคือสัจจะถ้าคนมีสัจจะมีความจริงจังและจริงใจแล้วการทามาค้าขายอะไรก็ดีทั้งหมดถ้าคนไร้สัจจะแล้วเป็นคนหลักรอยครบไม่ได้ในหลักของพุทธศาสนาเพราะนั้นต้องสัจจะนี่คือเป็นเบื้องต้นสาหรับพวกเราต่อไป พวกเราก็จะได้สมาทานศีลอย่างที่ว่านั่นแหะเราตั้งสัจจะอธิษฐานไว้แต่เริ่มต้นเข้าพรรษาข้าพเจ้าจะรักษาศีลห้ารักษาศีลอุโบสถทุกวันพระข้าพเจ้าจะทําบุญตักบาตรไปกราบพ่อแม่ทุกวันพระอย่างนี้ทุกวันอาทิตย์อย่างนี้อันนี้ก็คือล้วนแล้วจะเป็นสัจจะของแต่ละคนด้วยกันนะสิ่งไหนที่เราข้ามได้ยา ก, ยาก ฝืนได้ยากๆน่ยความขี้เกียจขี้คลานอยู่ในตัวของเราแก่งยากๆเอานั่นนะตัวนั้ น, นเอาสัตจะเข้าไปเลยเข้าไปเจ้าจะไหวพระทุกวันไม่ให้ขาดแต่ข้อสําคัญอย่าไปหลองตามกิเลสนี่ไม่ไหวพระไม่ขาดก็จริงอยู่แต่บางทีมันขี้เกียจจริงๆว่างั้นแหะบางคนมันเคยมีนะขี้เกียจพอเสร็จแล้วก่จะลุกก็ไม่ลุกขี้เกียจอีกว่างั้นเลยบด น, น ม, มือบนศีรษะแล้วก็นึกในใจภูกฆาไหวาพระอย่างเมื่อวานนี่ละ แต่ตัวเองไม่ได้ลุกว่า ง, งั้นเถอะผู้ฆ่าขอไฟพระอย่างเมื่อวานเมื่อวานว่าอย่างไรก็ว่าอย่างนั้นทั้งหมดน่ะซาทุนอนต่ออีกอย่างนั้นก็มีนะวะกิกลตว่า ง, งั้นะพวกเราอาจจะไม่เข้าใจนะที่ลุงพ่อพูดคํานี้นะคือคนขี้เกียจ น, นะเมื่อวานเนี่ยก็ไหว้พระอรหังสัมมาสวาคาโตสุปฏิปโนชยาวเยียดวันออกไปแต่วันรุ่งขึ้นในวันเนี้ยเมื่อวานเนี่ยพูดยาวเยียดหมดทุกคำว่า ง, งั้นแถอพะพกครบหมด แต่วันนี้โอ้โหการงานมันเหนื่อยมันขี้เกียจทําวัดเหมือนกันเถอะจะลุกขึ้นมาก็ขี้เกียจเหมือนกันเถอะก็เลยประน ม, มือขึ้นบอกเออผู้ค้าพูดเหมือนเมื่อวานทุกคำนะเจ้าทาุกอันนี้แคแค่เ่อ ค, ค, คนขี้เกียจทําวัดมันตามไม่จริงมันจะไปพูดอย่างเมื่อวานได้ยังไงแต่เราทานอาหารเราก็ยังบอกเออเข้าไปเจ้ากินอย่างเมื่อวานทุกคําำนะนอนต่อสิมันจะได้ไหมไม่ได้เหมือนกันหิวอ่ะ วันนั้นเราต้องทําทุกวันนะทําวัดไหวพระทุกวันจะได้ขาดนี่นะต้องมีสัจจะนะถ้าไม่มีสัจจะเนี่ยล้มเหลวได้ง่ายๆนะต่อเ น, นี้ไปสมาทานศี น, น, นัตถีนะต่อเนี้ไปหลวงพ่อจะได้กล่าวอะไรให้แก่สัตายาธิษฐโยมได้ฟังประจําวันพระเป็นแนวความคิดประจําวันพระ วันนี้เป็นวันพระแรมแปดข่ำเดือนสิอีกสามอาทิตย์ก็เป็นวันออกพรรษาถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งพวกเราศรัทธาญาติโยมถ้าจะว่าไปแล้วก็เหมือนกับว่าเจวันอาบน้ำครั้งหนึ่งคืออาบน้ำใจของพวกเราคือรักษากายวาจาให้เรียบร้อย ชื่อวัดศีลวันนี้พวกเราสมาทานศีลบางท่านก็รักษาศีลห้าบางท่านก็รักษาศีลอุโบสถ<ม>แต่ถึงยังไงทั้งศีลห้าและศีลอุโบสถก็ให้บริสุทธิ์บริรบรูรณ์ศีลห้าก็ใช่ย่อยเมื่อไหร่ถ้าเราวิเคราะห์ออกมาแล้วเป็นศีลที่ตัดลากเงากิเลส<ม>ของหยาบออกจากจิตใจของพวกเรา คือตัดเงาแห่งความชั่วทั้งหลายทั้งปวงถ้าว่าพวกเรารักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วหนังสือพิมพ์หนังสือต่างๆหลวงพ่อว่าไม่รู้จะออกข่าวตรงไหนอีกเหมือนกันแต่ทุกวันนี้ที่พวกเราดูแล้วหนาหูหนาตาในหน้าหนังสือพิมพ์จนไม่มีที่จะลงกันล้วนแล้วจะเป็นสื่อและเป็นข่าวเกี่ยวกับคนละเมิดศีลหา้า คนทั้งหลายไม่ครบต่อศีลห้าไม่ครบต่อศีลธรรมพูดอย่างนั้นไม่น่าจะผิดนะถ้าผิดก็ผิดน้อยมากเพราะงั้นแต่หลวงพ่อคิดว่าไม่น่าผิดเลยแหละเพราะเหตุไรเพราะว่าศีลห้าประการเนี่ยถ้าเราวิเคราะห์ อ, ออกมาแล้วสมมติว่าคนในคุกในตารางในเรือนจนะําะทั้งหมดเนะ่ยเอามาสิเอามานั่งถามด้วยซี้ว่าศีลข้อนี้ คุณทำอย่างนี้ผิดศีลข้อไหนข้อไห น, ข, ไหนข้อไหนเนี่ยโดยมากมันจะอยู่ในศีลห้าทั้งหมดเพราะฉะนั้นศีลห่าเป็นศีลตัดรากเง่าของอกุศลบาปอากุศลส่วนหยาบพูดอย่างงั้นก็ไม่น่าจะผิดอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นพวกเราศรัทธาญาติโยมทุกท่านถึงจะรักษาไม่ตลอดรอดฟังเจวันรักษาศีลได้ครั้งหนึ่งอย่างวันนี้ก็นับว่าเป็นบุญเป็นกุศล เป็นคนดีเป็นที่ยอมรับของชุมชนสังคมต่อไปเราก็จะรักษาให้ศีลของเราบริสุทธิ์ปริบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆแต่ผู้ที่รักษาศีลอุโบสถคือรักษาศีลแปดตั้งแต่วิการลโพนัตจคีมาลาอุจจาอันนี้ก็คือเป็นศีลขัดเกลากกเรตส่วนละเอียดเข้าไปอีกเหมือนกับพระถือทุรงนะหลวงพ่อว่านะ แต่ถ้าพระไม่ถือธุดงผิดไหมก็ไม่ผิดแต่ไม่ปรับอาบัติแต่ว่าการถือธุดงนั้นเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสส่วนหยาบของพวกเราอันนี้คงเหมือนกันถ้าเรารักษาศีลอุโบสถศีลนี่เป็นเรื่องเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสส่วนหยาบของพวกเราคือไม่ติดในรสอาหารไม่ติดในลิ้นไม่ให้ความสําคัญในการกินจนเกินไป คือศีลวิการละโพข้อวิวการละโพและก็มาให้ความสําคัญในการได้ยินได้ฟังร้องรําทําเพลงจนเกินไปอันนี้ก็คือศีลข้อที่7จ็ข้อที่8เราไม่ให้ความสําคัญเรื่องกลิ่นคือมาลาทางจมูกจนเกินไปอันนี้คือศีลข้อที่8ปดศีลข้อที่9เราก็ไม่ให้ความสําคัญในการนอนที่นอน อบอุ่นที่ยัดนุ่นแลสำรีอันนี้ก็คือสินข้อที่8แปดดฉะ น, นั้นสินข้อที่6ถึงข้อที่8ดเป็นสินขัดเกลาทางกิเลสส่วนละเอียดนะพูดง่ายๆอย่างไรอย่างนั้นแต่สินห้านเป็นสินตัดรากเหง้าของกิเลสส่วนหยาบเพราะนั้นพวกเราที่ได้ฟังได้ศึกษาแนวธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพวกเราก็ วิเคราะห์เห็นด้วยเห็นจริงตามคำสตามธรรมคำสั่งสอนที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติเอาไว้เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะเรื่องศีลไม่ใช่ของเล็กน้อยทางพวกเราสมาทานศีลดีแล้วมีแต่สุขคติเท่านั้นนะเป็นทางไปแต่ถ้าว่าพวกเราขาดศีลธรรมมากๆหรือขาดศีล5้ามากๆหรือว่าขาดศีลหเนี่ยโดยมากจะไปทางต่ำเพราะเหตุไรเพราะว่าจิตใจของเรา ไปทางโลภทางโกรธทางหลงราคะโทสะโมหะเข้าสู่จิตใจของพวกเราเพราะนั้นศีลเนี่ยไม่ควรจะมองข้ามแต่ตามไม่จริงมันเป็นมาจากการการทานนั่นแหะสำหรับครวญญาติโยมนะพระพุทธเจ้าท่านเสด็จไปนะสถานที่ใดโดยมากท่านจะพูดเรื่องทานซะก่อนเบื้องต้นทานและ ก, ะ ถ, กะถาคือกระถาคือคำพูดอธิบายเรื่องการทาทานศีลกถาไปคืออธิบายเรื่องของศีล และกภาวนากะถาสมาธิกะถาเนี่ยก็คือสอนเรื่องสมาธิแนวความคิดให้แก่พวกเราชื่อว่าทานเนี่ยก็คือการอยู่ด้วยกันการเสียสละพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงอย่า ง, ท, งทีงพ่อได้กล่าวเบื้องต้นนั่นน่ะถ้าคนมีทานมีน้ำจิตน้ำใจต่อกันแล้วโลกทั้งโลกก็สงบพร่อมเย็นเป็นสุขได้อันนี้ก็คือทานศีลคือรักษากายวายจาของเราให้เรียบร้อย ส่วนสมาธิเป็นแนวความคิดทางด้านจิตใจเป็นแนวความคิดเราคิดยังไงจึงจะถูกต้องจึงจะเป็นธรรมมีสติสัมปชัญญะในความคิดของตนเองนะอันนี้ก็คือเรื่องสมาธิแต่ท่านจะเน้นหนักเรื่องทานเรื่องศีลสำหรับคารวะเพราะการอยู่ด้วยกันเรื่องสมาธินี่ก็ เป็นเรื่องที่จําเป็นแต่พวกเราไม่ค่อยจะสนใจกันสําหรับคารวาสญาติโยมมีแต่เรื่องทานทางเรื่องทานละเท่าไร่เท่ากันแต่พอเรื่องศีลแล้วก็รู้สึกว่าขแยขแอขยแอขยงขแยแงงัน้นเถอะเรื่องภาวนานี่ยิ่งไม่ได้ลงทุนอะไรเลยมีแต่นั่งทําจิตใจให้สงบแต่มันสู้กับจิตใจของเราไม่ค่อยมีใครจะทําถือว่าเป็นของคือ ข, ของลาสมัยไปคือว่าเป็นของ ไม่ใช่ไม่ไม่สำคัญไปแต่ตามไม่จริงเรื่องภาวนาเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญอย่างมากนะแต่เรื่องศีลก็เหมือนกันศีลเนี่ยในครั้งพุทธกาลในครั้งพระพุทธเจ้าถ้าเราได้ศึกษาดูแล้วเรื่องเพียงศีลห้าเท่านั้นนะศีลข้อที่ห้าเนี่ยข้อสุรามีระยะมัชฌะประมาเนี่ยสมัยหนึ่งเป็นงานนักกษัตริย์นี่คงจะเป็นงานปีใหม่มั้งงานปีใหม่และงานสงกรานนี่แหละ เขาก็มีการเล่นกันเต้นสนุกสนานกันอยู่กรุงสวัสดีเทนี้พวกแม่บ้านทั้งหลายจะจะออกไปเที่ยวสนุกสนานเหมือนกับผู้ชายก็ไม่ได้นี้มันผิดกฎระเบียบของแม่บ้านเขาในยุคสมัยนั้นเขาก็ให้อยู่กับเย่าเฝ้ากับเรือนแต่ว่าจิตใจของคนมันก็อยากจะออกไปเที่ยวไปเตรเหมือนกั น, เ ห, น, กนเหมือนกับผู้ชายเนะี่ย แต่กฎระเบียบข้อห้ามเอาไว้คงจะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะ่ะแต่นี่ก็พวกผู้หญิงเหล่านั้นก็เอ้าพวกดิฉันจะไปพานางวิสาขาไปทําบุญทาทานแลว้วก็จะไปที่ไหนก็เอานางวิสาขานะ่ะเป็นหลักพวกเสนาอัมมา์พวกขหาบดีทั้งหลายเออนางวิสาขานี่เป็นมหาอุบาสิกาของพระพุทธเจ้า ถึงยังไงยังไงของท่านก็คงไม่ออกนอกรูนอกทางเออทางว่าพวกท่านทั้งหลายจะไปหานางวิสาขานางวิสาขาพาไปที่ไหนก็เอา้าตามใจชอบไปได้อนุญาตทางพ่อบ้านเขาก็ทุกคนอนุญาตให้ออกไปได้แต่นี้ทางแม่บ้านนี่ก็ไปก็ไปชวนนางวิสาขาไปเที่ยวสนุกไปกินเหล้าอะไรท่านี่นางวิสาขาโอ้ไม่ได้ ฉันทําไม่ได้่ะฉันไม่เคยแต่ไหนแต่ไรแต่คิดก็ยังไม่คิดทําแล้วเรื่องกินเหล้าเมายาเนะี่ยไม่เอาถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายอยากจะไปทําบุญกับเราเนะี่ยเออปะเราจะชวนไปทําบุญไปกราบพระพุทธเจ้าไปฟังเทศพระพุทธเจ้านี่แหละข้าจะต้องทําถ้าพวกท่านทั้งหลายจะทำอย่างนี้เอายินดีเราจะเป็นผู้พานําไปทั้งผู้หญิงทั้งห้ารอยคนได้ ข่านึงเอาไปฉะนั้นก็ไปไปกับพระแม่เจ้านั่นแหละลก็เลยจัดดอกไม้ทูบเทียนไว้ที่บ้านเสร็จแล้วก็เอาไปาเดี๋ยวจะพาไปฟังทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าถือดอกไม้ทูบเทียนไปอีกกลุ่มหนึ่งไปเพื่อบูชาพระธรรมของพระพุทธเจ้าที่วัดป่าเชตตะวันมหาวิหารพอเดินไปแล้วก็เอาสุลาเน็บเน็บใส่พกไปด้วยอย่างนั้นไปก็กินกาะไปตามทางกินไปด้วยเดินไปด้วย กินไปด้วยเดินไปด้วยพอไปถึงหน้าวัดเชตตะวันก็ต่างคนก็กินกอกเล่าเข้าไปพอกินเข้าไปแล้วกันเดินเข้าไปกับนางวิสาขาเข้าไปในวัดเลยท่า น, นไปฟังเทศพระพุทธเจ้าพอก็ไปนั่งพอนั่งอีกไม่นานเลยพิษสุรามันก็ขึ้นแลยท่านี้ยมันเมาเลยอยนันเดียวก็ออกไม้ออกมือออกเสียงออกอะไรขึ้นมาโอ้พวกที่นั่งฟังเทศกั ตาจ้องไปสู่กลุ่มนางวิสาขานางวิสาขาโอ้ตายข้าเนี่ยเอาคนมาผิดจะแล้วเนี่ยทาไมจึงมาหากินเล่าในวัดเนี่ยพิษเล่าแน่แน่ในลักษณะอย่างนี้เลยคล้ายๆกับพูดอะไรก็ไม่ฟังได้เองเสียงดังอดตโลขึ้นไปเลยคนทั้งห้าร้อยมันเมาเล่าด้วยกันทั้งหมดใช่ไหมนางวิสาเนี่ยโอ้อดสูดูได้ไม่รู้จะทํำยังไงคนทั้งหลายในฟังเทศในก็ตาจ้องดูบอกว่าเนี่ย คนกลุ่มนั้นมันเมาเหล้าแล้วเนี่ยพราะพระพุทธองค์มองเห็นแล้วเออถ้าจะห้ามปรามธรรมดาคงไม่ได้แหละพวกนี้เพระองค์ก็เลยแสดงฤทธิ์เลยว่างั้นเถอะไม่ใช่ธรรมดาได้ปราบขี้เหล้าที่เฉยกันยังแส ด, แสดงฤทธิ์วันกันเถอะพระพองค์ก็แสดงฤทธิ์ให้แสงสว่างพุ่งออกมาจุบบนศีรษะของพระพุทธเจ้าพอพุ่งศีรษะออกมาแสงสว่างแจ้งว่าพอแจ้งเสร็จแล้วมืดตึบ๊บทีนี้ พอมืดเธนี่มื่อเหมือนมืดยเ่งกวบกัดไม่มีเดือนดาวเลยเหมืนกันอพระพุทธองค์ก็ออกไปอยู่อีกมุมมุมโลกอีกเหมือนกันเถอะเธนี้ก็คนน้นทลายก็ขี้เล่าทั้งหลายแต่เรื่องเมาเล่าเนี่ยขี้เล่ามันก็กลัวตายเหมือนกันใช่ไหมเธอเนี่ยออกเมาเล่าท่าไหลายหายเงียบเลยเล่านี่ยไปว่าออกจากตัวเองหมดเลยเพราะมันกลัวตายเหมือนกันเอะจากนั้นก็พระพุทธองค์ก็ ไปอยู่อีกมุมหนึ่งแล้วก็เป่งแสงสว่างออกมาพราะพุทธองค์แสดงฤทธิ์เนี่ยปราบคนกินเหล้าปราบขี้เหล้าผู้หญิงห้าร้อยคนเน่ะพระพุทธองค์ก็บอกว่ า, วาสูเจ้าจะมัวเมาอะไรมากมายนักหนาพญามัจจุราชที่จะจ้องจะฆ่าสูเจ้าอยู่ทุกเวลาเวลาสูเจ้ายังลืมตัวขนาดนี้เชี่ยวเหนือทําไมไม่หาทางออกทําไมไม่หาทางพ้นทุกข์ ทำไมจึงไม่ส่ะแสวงหาบุญหากุศลเข้าสู่จิตใจทำไมจึงมัวเมาลุ่มหลงถึงขนาดนี้พวกท่านทั้งหลายสู่เจ้าทั้งหลายาพระพุทธเจ้าเทศในในจุดนั้นบา ง, งั้นเถิพระองค์บอกว่าอย่าลุ่มหลงมัวเมาจนเกินไปเพราะชีวิตของเราเนี่ยไม่รู้จะวันไหนที่จะจากไปไม่มีใครที่จะประกันได้ว่าเช้าสายบ่ายเที่ยงหรือเวลาไหนที่เราจะไม่ตาย เราพร้อมที่จะตายในทุกโอกาสในทุกเวลาแต่ทำไมพวกเราจึงลุ่มหลงมัวเมากินเหล้าเมายาจนขาดสติถึงขนาดนี้พระพทธองค์ได้แสดงธรรมหญิงเหล่านั้นก็พอได้ฟังพอเหล้ามันหายหมดแล้เนยท่านก็พวกเรานั้นก็ได้สำเร็จพระโสดาบันทั้งหมดทั้งห0 0ร้อยกันนะับว่าเป็นผู้โชคดีเหมือนกันนะถ้าไม่กินเหล้าซะก่อนก็คงจะไม่ได้ไดฟังเทศเหืองั้นะพระองค์เทศให้ฟังก็ได้สาเร็จพระโสดาบันทั้งหมด จากนั้นพระ อ, องค์ก็เลยกลับเข้ามาที่นั่งอย่างเก่าพอที่นั่งเสร็จแล้วนางวิสาขาก็ถามว่ามันเป็นยังไงพระพุทธเจ้าข่ายเรื่องสุราเนี่ยมันเกิดในยุคไหนสมัยไหนไหนางวิสาขาถามพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าท่านรู้อดีตอนาคตเนี่ยท่านก็รู้ว่าพระองค์ก็บอกว่ามันมาเป็นแต่ยาวนานในเรื่องสุราเนี่ยตั้งแต่อะไรนายสุกับนางลาหรือนายพราน ซื่นในสุขไปเที่ยวป่าไปหาราชสัตว์เนี่ยตั้งแต่กรุงพระเจ้าพหลนาศีเนี่ยพระอต้งก็เล่าให้ฟังเลยสรุปแล้วก็เหมือนกับเขาค้นวิทยาศาสตร์อย่างนั้นเขาเขาอย่างไรจึงได้วิทยาศาสตร์มาแต่นี่ไปเจอคนที่ไปได้สิ่งที่มันไม่ดีมามันก็ไม่ดีเพราะมันพอจากนั้นมากับพอไปได้ได้กินเหล้าแล้วก็ไปแต่งไปทำไปทาให้มันขึ้น ไปตกแต่มมันขึ้นมันก็เป็นสุราขึ้นมาไม่รู้ว่าใครต่อใครผลที่สุดสุรานั้นมันเกิดมาจากไหนใครเป็นคนทำก่อนไม่มีใครรู้นะครับเพราะพุทธายาวที่ท่านบอกว่ามันมีต้นไม้อยู่ในป่าดงงพงไพมันมีต้นสมอมันมีต้นขามป้อมมันมีต้นข้าวซาลีพวกนกทั้งหลายเอามาข้าลงอยู่ในโพรงไม้มันแช่อ ย, อยู่นั้นมันก็เลยเป็นน้าเมาขึ้นมา นี่แหะพระพุทธเจ้าที่ท่านบอกตรัสในวันนั้นอันนี้ท่านพูดในพระไตรปิฎกนะเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายถึงยังไงก็คําพูดที่คำตรัสที่พระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้สอนพวกเราท่านทั้งหลายนะั่นคือต้องว่าพวกเราเกิดมาในโลกอยู่ในที่มัวเมาไม่รู้ว่ามัจจุราชจะฆ่าชีวิตของเราเมื่ อ, อไหร่ทําไมพวกเราจึงลุ่มหลงมัวเมา ควรจะหาทางออกควรจะส่อแสวงหาบุญกุศลเข้าสู่จิตใจคํานี้เลยเป็นคําที่พวกเราน่าฟังหน้าคิดและนํามาสอนตนเองสอนพวกเราท่านทั้งหลายไม่ใช่สอนผู้ใดสอนพวกเราทุกท่านนั่นะเพราะชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนพราะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าท่านไปค้นคว้าศึกษาแล้วแต่ถึงยังไงพวกท่านอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเพราคนที่ตั้งอยู่ในความประมาท เหมือนกับคนเกิดมาในภพนี้ชาตินี้ไปลักบัง่งไปขโมยของเขาบัง่งไปกินเหล้าบัง่งไปทำผิดศีลธรรมผิดศีลห้าบัง่งผลที่สุดเขาก็จับเข้าคุกจับเข้าตารางจับเข้าเรือนจำไปขังไว้ที่นั่นนี่ก็เหมือนกันพวกเราเกิดมาทั้งทีชีวิตน่าจะสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจเมื่อล้มหายตายจากชาตินี้ไปแล้วก็จะได้ไปสู่ความสุขความเจริญ ไปสู่บุญกุศลที่ตัวเองได้ทำไว้ไม่ใช่ว่าตัวเองเกิดมาพบนี้ชาตินี้แลว้วก็ลุ่มหลงมัวเมาทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องอะไรความชั่วเสียหายทำหมดเพราะไม่เชื่อว่าบาปบุญคุณโทษมีนรกสวรรค์ไม่มีบาปบุญคุณโทษไม่มีตายแล้วศูนย์เราก็ได้ทำความชั่วได้ทุกอย่างเพราะเหตุไรเพราะความไม่เชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นมีแต่ถ้าเผื่อว่ามันมีละ่ะ ที่พระพุทธเจ้าบอกว่ามีแน่แล้วก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์สายลูกปู่มั่นของเราที่ท่านแนะนําสั่งสอนอย่างลุงพ่อเนี่ยลุงพ่อว่ามีแน่ถามลุงพ่อลุงพ่อล่ละลุงพ่ออินแ่ละลุงพ่อยืนยันว่ามีไหมมีแน่งั้นลุงพ่อว่างั้นเพราะเหตุอะไรเพราะลุงพ่อไม่ได้เชื่อแต่คําพูดคํากล่าวเฉยเฉยเชื่อในทางปฏิบัติของพวกเราด้วยพวกเราปฏิบัติถึงจะไม่ได้มักได้ผลไม่ได้ถึงสูงส่งอะไรก็จริงก็ตามนะ แต่พวกเราก็รู้แนวทางว่าอันนี้คือเป็นหนทางเป็นหนทางเป็นทีแนวรู้ว่าสิ่งที่จะตายแล้วเกิดได้ตายแล้วสูญนรกสวรรค์มีจริงหรือไม่ยิ่อย่างเนี้ยทากรรมดีกรรมดีให้ผลทํากรรมชั่วให้กรรมชั่วให้ผลอย่างเนี้ยถ้าเราวิเคราะห์ด้วยตัวของเราเองเราก็จะรู้ได้ด้วยตัวของเราไม่ต้องถามใครเลยเรางั้นแต่นี่ที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ก็คือแผนที่เท่านั้นเอง เขียนแผนที่ให้พวกเราได้ดูได้ศึกษาแต่เมื่อเราดูแผนที่แล้วพวกเรานำมาประพฤติปฏิบัติในการบำเพ็ญอย่างที่พระพุทธเจ้าเขียนเอาแผนที่เอาไว้พวกเราก็ประสบพบเห็นในสิ่งที่พวกเราได้รู้ได้เห็นขึ้นมาในจิตในใจของพวกเราไม่มากก็น้อยถ้าพวกผู้ใดก็ตามถ้าจริงจังและจริงใจปฏิบัติจริงๆรงนะก็จะรู้เห็นจริงๆ แต่ถ้าพวกเราพวกเราปฏิบัติพอเย่อเย่แย่ๆก็พอได้รับผลบ้างเหมือนกับเราทำไร่ทํานานี่ยหรือทํารั้วทำสวนหรือทาํามาค้าขายถ้าเราทำเยอ่อเย่อแยะๆเราก็ได้พอได้อยู่ได้กินบางทีก็อาจตกตกตกตนหลนบ้างเพราะเหตุใดเพราะเราทําไม่ทําไม่จริงจังแต่ถ้าเราทําจริงจังทําทมาค้าขายอย่างจริงจังพวกเราก็จะร่ํารวยขึ้นมาเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีได้ เพราะเหตุไรเพราะเราตั้งอกตั้งใจทําจริงเพราะนั้นขอให้พวกเราศรัทธาญาติโยมทุกๆท่านเน้อบาปบุญคุณโทษมีจริงนรกสวรรค์มีจริงคุณงามความดีมีจริงมรรคผลนิพพานมีจริงขอให้พวกเราจริงจังและจริงใจขนาดไหนเท่านั้นอ่ะถ้าพวกเราจริงจังและจริงใจแล้วมรรคผลนิพพานคอยพวกเราอยู่เพราะพระพุทธเจ้าไม่ใช่ศาสนาโกหกนะเป็นศาสนาจริงจังไม่ต้องพิสูจน์ที่อื่นอีกต่างหาก พระพุทธเจ้าไปพิสูจน์ิสูจ์ที่ไหนที่ท่าน ท, ทําทีแรกนี่ยที่ท่านได้ตัดสรู้วันนั้นน่ะท่านทําอย่างไรท่านก็ไม่มีเรื่องปิดบังลี้ลับอะไรทั้งหมดพระพุทธเจ้านั่งกตัญญาที่ทำจิตใจให้สงบมีสติสัมปชัญญะในการนั่งสมาธิกําหนดลมหายใจเข้าออกเนี่ยบอกชัดเจนอย่างนั้นแล้วแต่ทําไมเราไม่ทําทําตามที่พระพุทธเจ้าบอกกล่าวสิท่านตรัสไว้ยังไงเราก็ทําอย่างนั้น พอทำอย่างนั้นเข้าไปแล้วนะ่ะพระพพุทธเจ้าที่บอกกล่าวนะั่นคือแผนที่พระสงค์กำลังแผนที่ของพระพุทธเจ้ามาแนะนําสั่งสอนให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาในเมื่อพวกเราได้ฟังได้ศึกษาแล้วก็ลงมือประพฤติปฏิบัติจริงนั่งสิเอาจริงเอาจัิงสิเท่านั่งเอาจริงเอาจังทั้งวันทั้งคืนสติอยู่กับตัวเองแล้วไม่ได้รับผลทลนี่ยเรายังค่อยมาว่ากันมาต่อว่าเออทําคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าโกหกคนเป็นวันวันไปอย่า ง, งานั้นแหละ แต่ก็จะพูดเต็มปากบางทีเอาเราอาจจะขยันผิดที่ผิดทางก็ได้ถ้าขยันผิดที่ผิดทางขยันแต่มันผิดที่ผิดทางมันก็ไม่รวยเหมือนกันนะถ้าขยันถูกที่ถูกทางมันรวยนี่ก็เหมือนกันประพฤติปฏิบัติรมก็จริงอยู่แต่สติของเราไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเป็นมิจฉาทิฏฐิจะออกแนวความคิดออกไปอีกแนวหนึ่งมันก็ไม่ได้รับมรรคผลเหมือนกันนะแต่ถ้าว่า เราปฏิบัติตามำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปวาจากรรมันตัอิชิววายโมสติสมาธิตามมรรคแปดที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้เนี่ยไม่ไปที่ไหนมรรคผลนิพพานคอยพวกเราอยู่แต่ถ้าพวกเราทําไม่ถูกแล้วนั่นแหละไปที่ไหนเมืันกับเดินไปกับผิดที่ผิดทางไปลเลยทีนี้พราะนั้นให้พวกเราศึกษาให้จริงจังศึกษาให้ท่วนทีแล้วก็นํามาประพฤติปฏิบัติ ไม่เข้าใจที่ตรงไหนก็ถามครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติเป็นมักเป็นผลแต่เราก็ถามบางท่านบางองค์คณาจารย์ทุกวันนีก็มีมากเหลือเกินแต่ขอให้พวกเราใช้หลักธรรมคำสัง่งสอนของพระพุทธเจ้านะใช้ปรไตยพิดกนะเป็นกระจกเงาแล้วก็ถามครูบาอาจารย์ท่านผู้รู้ดีรู้ชอบด้วยองค์ท่านและมีต่งเยอะแยะ แต่ทุกวันในหลวงพ่อมั่นใจว่าทำคำสอนขององค์หลวงตาเนี่ยธรรมเทศนาของหลวงตาเนี่ยเป็นกระจกเงาอย่างดีให้พวกเราเดินตามแนวแถวนี้หลวงพ่อคิดว่าไม่ผิดทางแน่นะตือเ น, นื่อไปรับพร น, นะตอนนี้อนุมโมทนาให้พร